เราก็เพียรพยายามปฏิบัติกันไปตามกำลังของเราที่มีอยู่ในขณะนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นกำลังที่จะปฏิบัติทำนั้นยังมีไม่มากสิ่งที่ต่อต้านนี่มีมากคือนิวรณ์กิเลสตัณหาต่างๆความลังเลสงสัย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 คุยเกะออกมาพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันยังมีอยู่เช่นการถือเนื้อถือตัวการโกรธบางทีไม่มีเหตุการณ์มันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาแต่พอมีเหตุการณ์นี้มันจะโผล่ขึ้นมามันก็จะทําให้เรา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 ก็เป็นเหมือนกับยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่พร้อมอยังไม่มีกำลังที่จะไปปีกวิเวกตามลำพังไปแล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์กลับจะเกิดโทษขึ้นมาได้ถ้ามีพระรูปใดท่านขือนคำสั่งคือขออนุญาตไปแล้วท่านห้ามไม่ให้ไปแต่ก็ไป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 ตำหนิว่าเป็นใบาลานเปล่าไม่มีเนื้อหนังสาระของธรรมมีแต่ตัวตัวใบาลานมีแต่ชื่อของธรรมแต่ไม่มีตัวธรรมจิตใจยังถูกครอบงามด้วยโมหะอาวิชชากิเลสตันหาอยู่อยู่ไปเปล่าๆาตายไปเปล่าๆบวชแล้วก็ไม่ได้อะไร จากการศึกษาเพียงอย่างเดียวจนในที่สุดพระโพธิละก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตนต้องออกปฏิบัติต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนท่านก็เลยมุ่งไปหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาหารหันต์ไปที่สำนักที่มีพระอาหารหันต์อยู่กัน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 อาจจะเป็นอุบายของท่านที่จะทดสอบความตั้งใจว่าตั้งใจที่จะมาศึกษาจริงๆหรือเปล่าก็ปฏิเสธไปแล้วก็บอกให้ลองไปถามพระรูปอื่นดูท่านก็ไปถามพระรูปอื่นที่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันพรนะแต่ละรูปท่านก็ปฏิเสธไปจนไปถึงสา ม, มเณรก็ไป ก็มีศรัท ธ, ธาเชื่อว่าสัมเาเ น, นี้เป็นพระอรหันต์และสามารถที่จะเป็นอาจารย์สั่งสอนท่านได้สั ม, มเนนในตอนต้นก็จะไม่รับเพราะเห็นว่าครูบาอาจารย์ต่างๆท่านไม่รับแต่เมื่อพระอาจารย์หัวหน้าท่านบอกสัมมเนนไม่สงเคราะห์ท่านหรือท่านหน่อยหรือสั ม, มเนนก็เลยรับพระเทระมา เป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งๆ ท, ที่ตนเองยังเป็นสา ม, มเณรอยู่แต่พระเทระมีพรรษามากพระเทระแทนแทนที่สา ม, มเณรจะต้องมาคารวะพระเทระพระเทระนั้นกลับต้องไปคารวะสา ม, มเณรในฐานะที่สา ม, มเณรเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระเทระ พรเถระท่านก็แสดงความคารวะอ่อนน้อมกับสัมมเนนอย่างสวยงามไม่แข็งกระด้างแต่อย่างใดแต่การแสดงคารวะนั้นก็ยังไม่พอสัมมเนนยังไม่มั่นใจว่าจะมีทิฏฐิมีความดื้อรั้นอยู่หรือไม่จึงต้องทดสอบดูว่า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 เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับ ส, สั่งคำสอนคำสั่งคําสอนนะธรรเณรก็เลยสอนเรื่องการฆ่ากิเลสว่ากิเลสนี้มันเหมือนตัวกระป๋อมที่มันอยู่ในรูแล้วมันมีทางเข้าออกอยู่6ทางด้วยกันถ้าอยากจะจับกระปอมตัวนี้ก็ต้องปิดทางเข้าออก5ทาง เปิดไว้ทางเดียวแล้วก็ไปคอยเฝ้ามันอยู่ตรงทางนั้นทางที่เปิดให้มันเข้าออกเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องออกมาทางนั้นพอมันออกมาก็จับมันได้เลยนี่สมัมมาองก็เปรียบเทียบว่ากิเลสตัณหาของพวกเราเนี้มันก็มีทางเข้าออกในในใจของเราในหกทางด้วยกันคือ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 นี่ก็เป็นอุบายวิธีสั่งสอนของสมณเณรต่อพระเถระแล้วไม่นานพระเถระท่านก็บรรลุหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาด้วยความศรัทธาความเชื่อในครูบาอาจารย์ไม่ดื้อรั้นไม่ว่าท่านจะสั่งจะสอนให้ทำอะไรก็ต้องทาตามที่ท่านสั่งอย่างในปัจจุบันนี้ก็ส๊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 ผู้รับใช้กิเรตันหาว่าผู้ที่มีนิมิตต่างๆก็มักจะถูกหลอกให้ไปใช้ในอาชีพทำมาหากินนเป็นหมอดูหมออะไรไปแล้วก็จะได้มีรายได้จากการาทํานายทยทักอะไรต่างๆแต่จิตก็ยังมีกเกเรเต็มอยู่ภายในหัวใจเราจะไม่มีวันหลุดพ้นจาก กองทุกได้ไม่มีวันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เธอก็กลับใจได้เลอกเล่นเลิกเกี่ยวข้องกับนิมิตแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญไปในทาง อ, าอัปปนาสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิก็ออกไปทางปัญญาพิจารณาทุกอย่างให้เป็นไตรลักษณ์พิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะ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 เพราะกูบาจารย์ไม่ไม่ได้มาหาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อเป็นาบา ร, รมีประดับบา ร, รมีว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากมายกายกองอถ้าลูกศิษย์ดื้อดงมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรลูกศิษย์ที่ไม่บรรลุธรรมมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรซึ่งมีลูกศิษย์คนสองคนที่บรรลุธรรม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 ไม่เสบรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันจะทำให้เกิดเป็นนิวรนขึ้นมาเป็นกามฉันทะขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้แล้วจะไม่สามารถฆ่ากิเลสเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาดันั้นการที่มาถือสีลงแปดมาปีกวิเวกจึงเป็นสิ่งที่ทรมานใจ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 สัมมณธรรมเป็นที่เหมาะสมต่อการทำจิตใจให้สงบแล ะ, จะเจริญปัญญาพอะองค์ก็เลยต้องเสด็จออกจากวังพระราชวังที่มีความสุขทางด้านลาบยศสรมเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปอยู่แบบเดียวดายตามลำพัง อยู่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพลต่างๆถ้าพระไทยไม่มีความหนักแน่นมุ่งมั่นต่อการหุดพ้นจากความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็จะไม่สามารถที่จะเสด็จออกจากพระราชวังไปได้แต่เนื่องจากมีความเห็นภายในการ ในความแก่ความเจ็บความตายที่จะทำที่จะตามมาพระองค์จึงยอมทนทุกทรมาน ก, กับการอยู่แบบขอทานอยู่ในป่าในเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ว, าว่าวเปลหวเปลี่ยวแล้วความพยายามที่จะบําเพ็ญและปฏิบัติก็ทําให้พระองค์สามารถที่จะ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 ความคิดเห็นของเรานี้มันเป็นความคิดเห็นของกิเลสตัณหานั่นเองมันไม่ได้เป็นความคิดเห็นของธรรมเพราะเรายังไม่มีธรรมเมื่อเราไม่มีธรรมเราจะเอาอะไรมาคิดมาเห็นก็ต้องเอาอาวิชชาปัจจยาสังขารานี้มาคิดมาเห็นนั่นเองเราจะไม่มีธรร ม, มาปัจจยาสังขาราจะมีก็ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลาย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 ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตนเองพอพระองค์ทรงสแสดงเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรทรงสแสดงเหตุที่จะดับความทุกข์เกิดจากอะไรพอสแสดงป้าผู้ที่ฟังก็สามารถบรรลุได้เลยกำจัดเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยการจเจริญเหตุที่จะมากาจัดเหตุที่จะทาให้เกิดความทุกข์ ก็อะไรบันรู้เป็นพระอาหารหันกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นๆเพราะมีผู้รู้ทางแล้วมีผู้บอกทางแล้วขอให้ผู้ศึกษาให้มีศรัทธาความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามอย่างจริงจังจังแท้แล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนี่ก็เรื่องเส้นทางของชีวิตที่พวกเราเ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 การนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสติควบคุมใจจิตที่เกิดจากพุทโธหรือสติที่เกิดจากการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยเฉยคำถามจากคุณธรรมดาคนตาบอดคนหูหนวกเขาไม่มีช่องทางให้กิเลสเข้ามาในจิตดังนั้นในทางธรรมเขาโชคดีกว่าคนปกติเหรอคะ อ, อ๋อกิเลสมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างใน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 มันออกมาจากใจแล้วมันก็จะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปแต่เมื่อมันไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้มันก็ต้องอยู่ตรงที่ใจถ้าเรามีสติจดจอ่ออยู่ที่ใจมันพอโผล่ขึ้นมาเราก็จะทำลายมันได้เลยคำถามจากคุณวิสานั่งสมาธิขณะที่จิตสงบสักครู่เหมือนมีน้ําเย็นๆไหลาตามร่างกาย ตามเส้นเลือดจุดไหนปวดก็แผ kind of ่ซ่านความเย็นเข้าไปจนทำให้รู้สึกไม่ปวดและมีความสุขมากสิ่งที่แผ่ซ่านเย็นๆคืออะไรคะก็ความสงบนี่ยที่เรียกว่าโอเบคาใจจะเย็นจะเฉยกับสิ่งต่างๆเวลาใจไม่บิวเบคานี่พอมีอะไรมาสัมผัสหน่อยก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันที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 เอาได้แต่มันเป็นเสียงทิฟกลิ่นทิฟลูกทิฟมันไม่ได้เป็นเสียงที่เราเห็นด้วยที่ได้ยินด้วยหูหรือลูกที่เราเห็นด้วยตาของร่างกายแต่จิตก็ยังเห็นได้เช่นเวลาเรานอนดับนี่นอ น, นอนน อ, นนอนดับเราปเตอร์ปิดตาทําไมเราฝันว่าเราไปนูน่นไปนี่ไปกินไปดืม่มไปเที่ยวไปเล่นกันได้นั่นแหละเรียกว่าอยู่ในโลกทิฟ เวลาที่เราหลับเนี่ยจิตจะอยู่ในโลกทิพย์จิตก็ยังฝันไปตามเหตุการณ์ต่างๆเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาในภายในจิตของตนเองอันนี้เรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ใช่ไหมเวลาเราฝันว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยั้ยอร่อยนช่ งั้เวลาที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายก็เวลานั้นจิตก็เลยต้องใช้รูปทิฟเสียงทิฟแทนแต่พอตื่นขึ้นมาจิตก็กลับเข้ามาใช้ร่างกายใหม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นจิตนี่สามารถหาหารูปเสียงกลิ่นลดได้สองทางทางโลกทิฟกับทางโลกกระทาษถ้ามีร่างกายก็ใช้ร่างกายหารูปเสียงกลิ่นลดไปถ้าไม่มีร่างกายก็ใช้โลกทิฟ หารูกหาหาหาลูกเสียงกิ่นลดในโลกทิพย์ไปและขอความเมตตาหลวงพ่อได้เมตตาสอนให้หนูได้แก้ไขจุดที่กลัวผีด้วยค่ะอ๋อวิธีแก้แก้ความกลัวก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้สติเวลาเกิดความกลัวก็อย่าให้ไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวให้ดึงใจกลับมาด้วยกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธ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 แล้วก็เลยกลัวมนโนภาพคือง่ายๆก็คือกลัวเงาของเราเองเราสร้างเงาขึ้นมาแล้วก็ไปกลัวเงาเนเราต้องใช้สติหยุดการสร้างหรือใช้การปรงคือยอมว่าร่างกายหรืออะไรที่เป็นของเราเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราก็ให้มันเกิดไปถ้าร่างกายมันจะตายผีมันจะเอาไปฆ่าก็ให้มันไปฆ่าไปถ้ายอมแล้วเพราะไงเดี๋ยวเราก็ต้องตายอยู่ดี เดี๋ยวล้วก็กลายเป็นผีเหมือนมันอยู่ดีไปกลัวมันทําไมพวกเดียวกันคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทําบุญถวายปัจจัยกับหลวงพ่อเขียนใบปวารณากับไม่เขียนได้บุญแตกต่างกันไหมคะอ๋อไม่ได้อยู่ที่ใบปวารณาอยู่ที่เงินเขียนไม่เขียนก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าเขียนแล้วไม่มีเงินมา เอาขาวดูวนแล้วค no er ok ่ะไม่เขียนใบตัวน้ำไม่มีเงินดีได้บ้างก็ึะบอกถ้าไม่ได้มีเงินมันไม่ได้จะเขียนก็ไม่เขียนก็ไม่ได้ถ้ามีเงินไม่เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เอถ้าไม่มีเงินเขียนก็ไม่ได้ไม่เขียนก็ไ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 เพ่งโลห์หับใจมันง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องไปจินตนาการลมนี่เราสามารถที่จะสัมผัสรับรูบ้ได้แต่ถ้าเป็นสีนี้เราต้องจินตนาการขึ้นมาต้องนึกขึ้นมาการนึกขึ้นนึกถึงสีมันก็ทําให้เราไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ได้ไปคิดปรุงแต่งมันก็เลยทําให้ใจสงบเช่นการนึกถึงพุโทโธก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกอยู่กับพุโทโธไปเราไม่ไปคิดถึงเราก็คิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้ พอเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นเดี๋ยวจิตก็สงบได้แอนคสิซนก็คือสีเอส่วนอะไรนะั้นนิมิตก็คือภาพต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรานั่งสมาธิหรือเวลาที่เราหลับเราก็เรียกนิมิตเนี่ยฝันนี่ก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งนอนหลับฝันนี่ก็เป็นนิมิตเนี่หรือเวลานั่งสมาธิแล้วก็มีภาพอะไรโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนอันนี้ก็เป็นนิมิต นิมิตก็มีสองแบบนิมิตในกับนิมิตนอกนิมิตในก็คือสิ่งที่จิตเราผลิตขึ้นมาเองนิมิตนอกก็คือสิ่งที่เข้ามาเช่นดวงวิญญาณต่างๆจิตตวิญญาณของผู้อื่นก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงปรากฏตัวให้เราเห็นได้อย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงเรื่องของคุณแม่ชีแก้วเวลาท่านนั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบแล้ว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 ควายถูกเจ้าของข่าตายก็เข้ามาหรือคืนที่หลวงปู่มั่นท่านานิพพานท่านละสังขารท่านก็เข้ามาในนิเวศของในสมาธิของแม่ชีเพราะพอดีวันนั้นแม่ชีเตรียมตัวจะเดินทางไปกับหลวงปู่ไปเยี่ยมหลวงปู่ตอนเช้าแต่ในตอนคืนก่อนจะถึงเช้าเธอนั่งสมาธิว่พ อ, พอดีเป็นเวลาที่หลวงปู่ท่านสิ้นพอดี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 คำถามจากทาง facebook Live จากคุณปราณีนะครับการนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงสรอบกับการนั่งรอบเดียว3มชั่วโมงแบบไหนจะได้ผลดีกว่ากันก็แล้วแต่ว่ามันสงบหรือไม่สงบนะถ้านั่งแล้วไม่สงบจะนั่งแบบไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนั่งแั้นมันต้องสงบมันถึงจะดีจิตต้องรวมอย่างเงี้ยเป็นสมาธิเนี่ยจะจะรวม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 แต่พอเพ้อสติมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ได้เช่นอยากจะไปดื่มกาแฟนี่พอมีสติอไม่ควรดื่มมันก็หยุดดื่มแล้วเดี๋ยวพอเผ้อคิดถึงกาแฟอีกมันก็อยากขึ้นมาอีกวิธีที่จะกำจัดอารมณ์ที่ไม่ดีให้หมดไปก็ต้องใช้ปัญญาว่าการกระทำตามความอยากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุข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 แก้อารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีได้อย่างท้าวอนถ้าแก้ด้วยสติมันก็ดับไปในขณะที่เรามีสติรู้ทันเหมือนพอเราเพอสติมันก็กลับมาใหม่คำถามจะคุณหลิงหลิงนะครับเวลาเรามองรูปกายคนอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นกระดูก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 ผมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาดียิ่งและผมจะเพียรทำยิ่งยิ่งขึ้นไปผมจะข่ำสงสารภายในชาตินี้ได้ไหมครับพระอาจารย์ผมเบื่อสังขารอันเป็นทุกข์อย่างยิ่งได้แต่มันต้องทําตลอดเวลาเนี่ยคือภาวนานี้มันพอมาถึงเวลาภาวนาจริงๆริงนี่มันต้องภาวนาตลอดเวลาสตินี่มันต้องมีตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่แล้วก็ มีการทำจิตให้สงบสลับกับการเจริญปัญญาไปแล้วทุกครั้งที่กิเลส ต, ตันหาโผล่ขึ้นมาถ้ามีปัญญากำจัดมันได้มันก็บรรลุได้คำถามจะคุณสนทยานะครับเวลาเรานั่งสมาธิพอจิตสงบสักพักก็เหมือนฝันไปแต่ไม่ได้รับเรียกว่าอะไรเจ้าคะ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 ก็ฝืนคำสั่งไม่ได้จะมีวิธีทมกำลังใจหรือปฏิบัติกับหัวหน้าอย่างไรเพื่อให้งานนั้นๆดำเนินไปได้อย่างราบลื่นก็มันราบลื่นก็เพราะทาตามกันไปถ้าขัดกันมันก็ไม่ราบลื่นงั้นเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอางานหรือเราจะเอาธรรมะความถูกต้องถ้าเราจะเอาธรรมะเราก็ต้องลาออกจากงานเราอย่าไปเป็นจระเข เจ้าะเขขวางคองเขนมันก็งายก็จะไม่ราบรื่นแล้วเราก็จะไม่มีความสุขไม่มีความเจริญก้าวหน้าอยางนั้นถ้าเราเห็นว่าคบกับเขาแล้วทำให้เราต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเราก็อย่าไปคบกับเขาก็ไปหางานใหม่ไปขายสัะเป่าหรือไปทำอะไรก็ได้ทำอาชีพอิสระที่เราสามารถที่จะรักษาธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ให้เราเลือกทำดีกว่าเลือกเงินพระเจ้าบอกให้เลือกถ้าต้องเลือกระหว่างทำกับทรัพย์ก็ให้เลือกทำถ้าต้องเลือกอวัยวะกับธทำก็ให้เลือกทำถ้าต้องเลือกชีวิตกับทำก็ให้เลือกทำให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อทำคำถามจะคุณเกตนะพานะครับเวลายืนสมาธิแล้วเห็นกระดูกสันหลังตัวเองไปถึงก้นกบ ทำถูกไหมคะอันนั้นไม่ได้ยืนสมาธิอันนั้นเรียกว่ายืนพิจารณาทำถ้าถ้ายืนสมาธิจิตต้องว่างต้องสงบถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิถ้าไปเห็นอะไรนี่เรียกว่าเป็นการพิจารณามากกว่าเป็นการเจริญปัญญาการเห็นร่างกายก า, การเห็นอวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อเตือนใจเราว่าร่างกายเราเป็นอย่างไรแทอ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 การดูอวัยวะต่างๆอีก อ, กอย่างหนึ่งก็ทำให้เราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเราจะได้ไม่มาหลงไหลกับความสวยงามของร่างกายร่างกายมันไม่สวยเราก็จะรู้สึกเฉยๆช่างหัวมันมันเหมือนกันทุกคนพอเข้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันก็ไม่มีใครน่าดูสักคนคำถามจี่คุณอ่านได้คหรอ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 คำถามจากคุณกรุงสยามนะครับทำกับวินัยอะไรสำคัญมากกว่าครับมันก็เป็นของคู่กันวินัยเป็นศีลเนวน ว, ว, วินัยเป็นคำคำสั่งทาเป็นคำสอนวินัยนี้ต้องปฏิบัติตามฝ่าฝืนไม่ได้เช่นสั่งให้รักษาศีลหนี่ต้องรักษาศีลหก่อนที่เราจะได้ทาเราต้องมีวินัยก่อน